เอาหน้าอย่าซีเรียกเรื่องเศรษฐีกับชาวนามหาเศรษฐีเกือบจะชราผู้หนึ่ง สุดแสนจะภูมิใจที่ลูกชายวัยห้าขวบของเขากำลังจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนชื่อดังซึ่งระดับเศรษฐีอย่างพวกเขาเท่านั้นโดยส่วนตัวของเขาเองก็อยากจะสอนให้ลูกชายรู้จักกับชีวิตจริงในโลกควบคู่ไปกับการสอนทรษฎีในโรงเรียนในวันหยุดเขาจัดตระเวนพาลูกชายคนเดียว ไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆแล้ววันหนึ่งเขาก็คิดถึงหัวข้อการสอนเรื่องความยากจนเพราะเขามีความเชื่อว่าลูกชายของเขาคงไม่มีวันรู้จักแน่นอนเขาจึงพาลูกชายไปเยี่ยมครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งและพักอยู่กับชาวนาเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงคืน เมื่อกลัาวถึงเขาหรือหาดของเขาในวันต่อมามหาเศรษฐีก็จะทดสอบว่าลูกชายได้อะไรบ้างจากการไปพักแรมกับชาวนาผู้ยากจนลูกชายตอบคำถามผู้เป็นบิดาว่าเขาขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่ได้พาเขาไปพบกับชาวนาและพักแรมที่นั่นซึ่งทำให้เขาได้พบว่า ชาวนามีที่ทำงานเป็นท้องนาที่กว้างใหญ่ในขณะที่พ่อมีเพียงห้องสี่เหลี่ยมที่ว่ากว้างแต่ก็ยังน้อยกว่าห้องทำงานของชาวนาอาหารที่ชาวนารับประทานสามารถหาได้ตลอดเวลารอบๆบอริเวณบ้านโดยไม่ต้องซื้อหาในขณะที่บ้านของเรามีตู้เย็นเท่านั้นที่เป็นที่เก็บอาหาร เวลารับประทานอาหารก็มีเพื่อนคุยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกในขณะที่ตัวเองต้องนั่งทานอาหารอยู่กับโต๊ะอาหารที่ยาวเกือบ10เมตรและมีเก้าอี้ว่างเปล่าทั้งสองด้านลูกชาวนาที่ซ้อนท้ายจั ก, กรยานของพ่อเขาต้องกอดเอวพ่อให้แน่นเพื่อจะได้ไม่ตกจากจั ก, กรยานแต่เขาเอง ต้องนั่งในรถที่ใหญ่โตอยู่ข้างหลังเพียงลำพังโดยมีคนขับรถพาไปทุกที่ชาวนามีแสงดาวแสงจันร์เป็นโคมไฟส่องสว่างตลอดเวลาในเวลากลางคืนโดยไม่ขาดแคลนแต่เขาก็มีเพียงแสงจากโคมไฟที่ต้องซื้อด้วยเงินชาวนามีรั้วบ้าน เป็นแม่น้ำภูเขาที่กว้างสุดลูกหูลูกตาแต่เขาเองกลับมีเพียงแค่กำแพงบล็อกในพื้นที่ไม่กี่ไร่ลูกชาวนาได้มีเพื่อนเล่นเป็นจิ้งรีดหิ่งห้อยนับร้อยนับพันแต่เขาเองกลับไม่มีใครเลยเขาขอบคุณพ่ออีกครั้งที่ทำให้เขารู้คำตอบว่า จริงๆแล้วเรายากจนกว่าชาวนา ม, มาก